เรื่องพระสาคตักแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ครั้งนั้นกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมืนคนพากันไปที่ภูเขาคิชกูดสมัยนั้นท่านพระสาคตักเป็นพระอุปถาคพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนเหล่านั้นเข้าไปหาท่านพระสาคตักณที่พักแล้ว ได้กล่าวกับท่านพระสาคตะดังนี้ว่าท่านขอรับกุลบุตรในหมู่บ้านแ0ดหมื่นคนนี้พากันเข้ามาที่นี้เพื่อขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอโอกาสให้พวกเราได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเถิดท่านพระสาขตะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงรออยู่ที่นี้สักครู่ จนกว่าอาตมาจะกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบลำดับนั้นท่านพระสาขตะเมื่อกุลบุตรในหมู่บ้านแ0ด0มืคนกำลังเพ่งมองอยู่เฉพาะหน้าได้ดำลงใต้แผ่นหินไปผุดขึ้นตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า กุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนี้พากันเข้ามาที่นี้เพื่อขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดทรงทราบเวลาอันควรในบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าสาคตะถ้าอย่างนั้นเธอจงปูอาสนะ ใต้ร่มเงาที่มุมสุดวิหารท่านพระสาคตะรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วถือตัง่งดำลงเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคผุดขึ้นที่แผ่นหินต่อหน้ากุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนที่กําลังเพ่งมองอยู่แล้วปูอาสนะใต้ร่มเงาที่มุมสุดพระวิหารลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหารไปประทับนั่งบนพุทธาอาจที่จัดไว้ใต้ร่มเงาที่มุมสุดพระวิหารลําดับนั้นกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคณนะที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณนะที่สมควร พากันสนใจแต่ท่านพระสาคตะเท่านั้นไม่สนใจพระผู้มีพระภาคเลยครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทยัยถึงความคิดคำนึงในจิตของกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นจึงรับสั่งกับท่านพระสาคตะว่าสาคตะถ้าอย่างนั้น เธอจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นอุตตริมนุสธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านพระสาคตะทูลรับสนองพระพุทธานัทแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศจงกรมบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างบังหวนขวันบ้างโลงไฟบ้างหายตัวบ้างในอากาศ กลางท้องฟ้าลำดับนั้นครั้นท่านพระสาคตะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นอุตริมนุสธรรมหลายอย่างในอากาศกลางท้องฟ้าแล้วจึงกลับลงมาซบศีสัจแทพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดา ข, ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นสาวกพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวก ค, ครั้งนั้นกุลบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นต่างสรรเสริญว่าหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสาวกยังมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ พระศาสดาจะต้องมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแน่นอนแล้วหันมาสนใจพระผู้มีพระภาคเท่านั้นไม่ยอมสนใจท่านพระสาขตะอีกเลย